เปิดโอกาสให้ทุกคนมาพบมาเห็นเอาได้หรือว่างายของที่ข่วมหน้าไว้เปิดของที่ปิดนั้นออกเชิงว่าไม่ต้องปิดบังถ้าเรายังปิดบังอยู่เขาว่าปลาติดเบ็ดอะไหนึ่งทุกคนพูดกันได้มามากที่สุดเร่องนี้เรียกว่าเรื่องปลาติดเบ็ดเนี่ยคือปลาติดเบ็ดนั้นเราเข้าใจว่าปลาเขาเอาเยื่อไปล้ออะไร เอาเนื้อไปล่อแล้วให้หลงเพราะว่าภาษาบ้านหนองบ่อเอาเบ็ดดงเบ็ดลาลาดวงเบ็ดเปาๆนี่ทิ้มลงไปปลาเป็นบว ก, กินวันนี้เอาเนื้อไปเสียบใส่ปลามาเพ่เห็นดงเบ็ดนก็เลยไปกินพอได้กินแล้วปลามันติดติดปักติดติดเบ็ดแล้วบันดินด้นดิ้นมาออกล่ะอันนี้เขาว่าเกินบวลงหายบวออกอันนี้พ่อหยังลูกเสียงกินรสสัมผัสธรรมลม เสียงเยินยอเสียงซืึนโสมเยินยอเป็นสิ่งทารุณที่แสบผิดมากที่สุดอันนี้เดียวะเราติดให้เข้าใจว่าจังสรรยศุปไปว่าสือ่อ <c oughs> มันเป็นเสียงมือเลยจะขันวอย่างสี่มันโบธันนัดนะจะว่าไปเสียงอื่นที่เราติดเราไม่รู้ถ้าเรารู้เราไม่ต้องไปกินอันนี้แสดงว่าเรากินเบ็ดแล้วดิ้นเท่าใดมันก็ไม่รู้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 ดึงออกไปไม่หลุดเกิดไม่ลงหายไม่ออกเข้าไว้อันนี้ก็แสดงว่าคนไปติดลาบยศสนเสริญเสียงเยือ่อหยอเรียกว่ากา ม, มาลมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าเสียงเยือหยอและเื่อมสมลาบยศสนเสริญเป็นสิ่งที่ทารุนแสบเติดนี่ท่านวายานั้ น, น, นเราไม่เข้าใจเราติดที่ไหนเราไม่เข้าใจเกิดไม่ลงหายไม่ออกเลยทิ้งก็ทิดาย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 ความรู้สิตัวแบบนี้ไม่ต้องไปอ้างเองกับตำราและไม่ต้องปฏิเสธตาําราและไม่ต้องไปยืมเอาคําพูดคนอื่นมาพูดดังนั้นเน่ยการพูดธรรมะต้องพูดของเราพูดสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั่นแหละจริงวาของเราแท้ไม่ไปยืมเอาคําพูดของคนอื่นมาเลยถ้าเราไปยืมตําราก็เดียวไปหยิบยืมเอามาจากตํารามาพูดทันวัน ถ้าเราไปจําเอาคําพูดของคนอื่นกับแตหยิบยืมเอาคําพูดของคนอื่นตัวเองไม่มีดีครับว่าคนอวดดีไม่มีดีในตัวทันวายอย่างนั้นคนอวดดีกับคนมีดีมันจึงผิดกันอย่างนั้นดังนั้นการเจริญสติเจริญปัญญาหรือเจริญสมาธิี่ว่าอย่างไรก็ได้วิธีที่ตัวผมหรือตัวอาตมาธรรมนี้อาตมาไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเอง และก็จะเอาความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองนี่แหละไปเผยแร่ให้คนได้รู้ได้เห็นที่สูตรได้จริงๆเพราะว่าของจริงมีอยู่ในตัวเราแพลที่นี่นทะ์ที่ไหนเราเห็นเรารู้เราเข้าใจคนอื่นจะรู้เหนือเราไปไม่ได้นี่คือสมาธิเราเห็นจริงแต่เราไปติดตำลาไปติดครูจิตอาจารย์ติดคาพูดของคนนั้นคนนี้นั้นยังไม่เป็นสมาธิ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 เพราะคนจริงพูดจริงทำจริงเท่านั้นจึงจะปรากฏขึ้นมาได้เรื่องนี้ตัวของผมเองเคยทำกรรมฐานมาแต่เมื่อสมัยเป็นหนึ่งไม่รู้เลยไม่รู้ว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรไม่รู้เลยตำลาครูบาอาจารย์สอนเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่ตัวจะมารู้นะครูบาอาจารย์สอนเอาไว้แล้วก็ไปอ่านดูมืออยู่ในหลักสูตรต้องทำตนเอง ทำมว่จานเนว่าอย่างนั้นเป็นคนที่เรียนนักทมตีนักทมโทรผ่านไปแล้วนักทมเอกคู่ที่เจริญสติปัะฐาสี่อย่างถูกต้องท่านบให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ไม่ขาดส่วงขาดสายท่นออย่างนานไม่เกินเจ็ดปีหรือเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน มีอ น, นิสงส์สองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้หรือศาส์นี้เทน้นสองเป็นพระนาคามีแน่นอนที่สุดถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหรันต์ทันนวัยบรรทิตัวเองทามาตั้งแต่เป็นเรนถึงอายุสี่สิบหกปีท่อใดไม่รู้นะเป็นเดอนอายุสิบปีนะสี่สิบหกปีกี่ปีออกกี่ปีสิบเอ็ดเอาคว่าสิบสิบเอ็ดสิบสองปีถึงสี่สามสิบห้าปี ทำมาอย่างนัยังไม่รู้เลยอันนี้แสดงว่าเราไม่รู้ทิศทาง น, น้ำอย่างท่วมศึกษะอันว่าภาษาทางนี้ว่าบ้านหลวงพอเลี้ยวดน้ํ า, าท่วมหัวอยู่มาจิ้มมองต่อฟังได้หรือมันก็มองว่าเห็นต่อฟังสิเนี่ยนว่อย่างนั้นไป็วัดเมื่อทําแล้วไม่รู้สิ่งที่ไม่รู้นั่นเนี่ยมันเป็นบาปหนักที่สุดสิ่งที่ไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นโทษอย่างหนักที่สุดสิ่งที่ไม่รู้นั่นเนี่มันเป็นอันทีวัตดอยู่ในธรํา อยู่ในที่มืดติดไฟขึ้นมีความสว่างนิดเดียวเพราะเราเป็นนึกถึงตำรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงคําพูดของคนนั้นนึกถึงคําพูดมีความสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองที่ว่าพอดีไฟมืดปึ๊บอยู่ในท่านตามเคยน้ําอย่างท่วมศรีรษะน้ําอย่างท่วมหงายมองไม่เห็นทิศทางไปท่านไหนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่ออายุสี่สิบหกปีใหม่รู้สึกว่าตัวเองมองเห็น ข้างโน้นข้างนี้มองเห็นข้างหน้าและข้างหลังไม่ใช่อดีตทาร์แล้วนะอยากจะเขาจว่ามองเห็นข้างหน้าข้างหลังหมายถึงมองเห็นทาร์แล้วที่มองเห็นทาร์หน้าที่อันนั้นเป็นการตีขัวหมายไปเราไปคิดเอาเองธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้จะคาดคิดเอาไม่ได้จะนึกฝันเอาไม่ได้หรือจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้มันต้องเป็นแล้วจึงจะรู้มันต้องรู้แล้วจึงจะเห็น เห็นแล้วจึงเข้าไปสัมผัสได้เมื่อสัมผัสได้เรียกว่าสัญญานั่นแหละคือสัญญาไม่ใช่สัญญาจำมาจากตำรับตำราจำมาจากครูบาอาจารย์อันนั้นเป็นสัญญาโลกโลกไม่ใช่สัญญาที่ตัวของอาชมาพูดเดียวนี้คนไม่มีสัญญาจึงไม่มียานวิปัสนาคนไม่มีสัญญาจึงไม่มียานของวิปัสนาปัญญาจึ่งรอบรู้ไม่ได้เมื่อคนมีสัญญาแล้ว อยาวิปัสจนาเข้าไปรู้ปัญญาจึงรอบรู้ได้จึงเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงว่าคนเกิดมาแล้วต้องตายแน่ทุกคนตายจริงๆไม่ยกเว้นทีเดียวแม้จะเป็นคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศส ก, ก็ตายเป็นคนอเมริกาก็ตายถือศาสนาพุทธก็ตายถือศาสนาคิดก็ตายถือศาสนาอิสลามก็ตายถือศาสนาฮินดูก็ตาย ให้ว่าคนเนี่ยถือศาสนาไหนก็ตายทั้งนั้นโยมห่วมตายคือสัจจะชนิดหนึ่งนี่มองเห็นเข้ามาใกล้ตอนบัดนี้อันมรรคผลนิพพานนั้นถือศาสนาไหนก็รู้ถ้าหากคนจริงถ้าคนไม่จริงแล้วถือศาสนาพุทธก็ไม่รู้ถือศาสนาใดก็ไม่รู้มันเป็นอย่างไรเพราะเราไม่ศึกษาตัวเราเราไปศึกษาตำรามันก็เอาตำรามาพูดมันก็เลยไม่ได้ศึกษาของจริง รู้เคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ไม่รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็ไม่รู้คิดลอยอันผันเรื่องไม่รู้เลยอันนั้นเนยว่เราเข้าไปในถ้าเข้าไปในความคิดนักมวยเนี่ยที่เขาเป็นเซมเปี้ยนนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องครูเรียนกับครูอาจารย์เคยเห็นไหมนักเรียนเออนักเรียนก็ได้นักมวยก็ได้เขาไปเรียนมวยมานะเขาเรียนมาไว้ซก เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อโอ้อดอะไรเมื่อเขาซกในเวทีมากขึ้นมากขึ้นเขามีความสมนิทสัมนานเขาก็ได้เป็นแสนเปี้ยนเองโดยธรรมชาตินักมวยทุกคนเรียนมาจากครูบางคนก็ยกไหว้ครูขึ้นไปในเวทีก็กราบทิศนั้นทิศนี้เพราะครูสอนอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องกราบครูนึกหาครูเป็นแสนเปี้ยนไม่ได้ คนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อติดตําราแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดจึงว่เลิกเสียความหลังเลิกเสียความจดจําเราต้องตั้งปัจจุบันให้ได้อดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราจะเห็นจะรู้จะเข้าใจแก้ปัญหาได้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าปัจจุบันเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าไม่ใช่อนาคตคนอื่นนะคือโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มีความมืดบอดวุ่นวายสับสนอยู่อย่างนี้แม้จะมีพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจะมีผู้นนรู้ก็เป็นอย่างนั้นไม่มีผู้รู้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกโลกนี่เกี่ยววุ่นวายอยู่ไม่เสาวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสูทั้งหลายจ้ามาดูโลกนี้อัตตการดูราศรีรถที่คน เนี่ยว่าคนพานกันเลยบ้านหลวงพ่อเหลี้วบอกว่าคนงโง่เลยที่คนพาณเขาหมกอยู่แต่ผู้ลู่หาข้องอยู่ไหมจึงอะเลิกเสียงเยินยอเลิกสนาเสริญเลิกนินทาจึงอ่ะไม่ติดอยู่กับโลกคนใดหักไปติดอยู่กับโลกก็เหมือนป่าติดเบ็ดนั่นเองติดเขาสนาเสริญติดเขาสมติดเขาหย่องป่าติดเบ็ดดีเราได้เขาไม่หลุดเลยกืนไม่ลงคายไม่ออกต า, ายคาดเบ็ดเลยเนี่ยนะ บัดนี้คนที่มีปัญญานะสมมุติเท่านะั้นฟิตแรงแรงปากจะลุกปากจะเจ็บก็าตามฟิดแรงแรงเด็ดหลุดไปได้สบายอันนี้ก็แสดงว่ามันติดแล้วจําเป็นต้องหาวิธีแก้เสียงเยยยอ au, ลาบยศชนะเสริญถ้าหากไม่แก้เมื่อใดก็ติดเด็ดดิ้นไม่ออกอยู่ตลอดเวลาบัดนี้คนบางคนเห็นอ้อยเยื่อมาชิมปุ๋มหนโอ้ยเขาหลอกเราไม่กินเลยไปหากินที่ไม่มีเด็ดนะีครับว่า แต่หาจิที่ไม่มีเด็ดไม่มีอันติยเราพอดีคืนลงไปไม่มีพิษไม่มีสารกินปลาต้องเลือกอย่าไปกินก้างพูดได้ทั่วไปแต่คนกินก้างติดคอคื้นไม่ลงเลยกินปลาอย่าไปกินก้างพูดได้กินแต่ก้างเนื้อแทไม่ได้กินกินเนื้อไปกินแต่กระดูกเนื้อแทไม่ได้กินดังนั้นพวกเรามาที่นี่ต้องโคกต้องศัพท์ไม่ใช่โค้ไปศัพท์เนี่ยพูดความจริงให้ฟังเนี่ยเปิดของที่ควม มันควบหน้าอยู่ีงายออกมางายออกมาที่มันควบหน้านะของที่มันปิดนั้นเอา้าให้กุญแจแล้วกุญแจตักตายนะแล้วกุญแจเลื่อนถ้ากุญแจตักตายเข้าไปมันสวมันไม่ได้กับน็อตเอ้าเอากุญแจเลื่อนตัวนี้เข้าไปหันเข้าไปเมื่กุญแจมันทุกตัวแล้วเอา้าบิดซ้ายขายออกมาได้ถ้าจับมือบิดมันจ่อมันไม่มีแรงใส้ตัวยาวๆทํานวดนิดเดียวไปได้ อันนี้ก็เช่นเดียวกันควอมไม้ขวอมเดียวเท่านั้นดังนั้นคําพูดคําสอนพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนเอาไวใบไม้ในป่ากับใบไม้กับมือเดียวอะไรจะมากน้อยกว่ากันใบไม้ในป่านะ่ยมากที่สุดคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่จะเอามาเป็นยารักษาโรคให้หายจริงๆเพียงกํามือเดียวเท่านั้นเองที่ ว, ว่าควอมรู้สึกตัวตื่นตัว ทุ่มรู้สึกใจตื่นใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจในเองใบไม่กัมมือเดียวท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจถ้าหากไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ป่าติดเด็กนั่นเองดังนั้นที่นำพัรมะมาเล่าสู่ฟังในตอนเสาร์วันนี้ตอนเสาร์เมื่อทำวัดก็พูดแล้วตอนเ้าเมื่อทำวัดก็พูดให้ฟังวัดนี้มาสันตอนเสาร์ก็พูดให้ฟังอีกเพราะทําความเข้าใจ เพื่อจะชี้ทางให้คนเดินโดยที่ไม่หลงไม่หลงจริงๆไม่หลงตนไม่ลืมตัวอันนั่นแหละสัญญาแท้ท่านว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ท่านว่าอย่างนั้นสัญญาตัวนั้นทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยานเข้าไปรู้เพราว่าญานเข้าไปรู้ไม่ใช่เอาหัวเข้าไปมันจะรู้เองมัน่นใช่ปะยานเข้าไปรู้เมื่อรู้แล้ว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 เราจะทํำยังไงโยนจะตายมาแล้วเนี่ยเราจะตายไปด้วยความมืดหรือหรืจะตายไปด้วยความสว่างเราต้องพูดอย่างนี้เราจะตายไปด้วยความมืดหรือเราจะยางไปเนี่ยจะมืดไปดําหลับตาไปหรือหรือจะจุดตะเกียงไปหรือจะไปมือสวยบ้านหลวงพ่อวางท่นท่นว่าใต้ไฟไปก็ระวังอยู่จะเหมัอนมอดทันไปมือสวยแล้วโบเป็นหยางวัดท่านไปเมื่อคืนเนี่ยโบมีไฟเราก็เยียบหลักเยียบต่อเพื่นวัดบางทีลงคูลงคลองตกบ่อตกหลุมเพื่อนวัด อันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านจึงสอนเอาไว้ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นวินัยนั้นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติมันเดือดร้อนเนอะคําว่าไม่ควรปฏิบัติแปลวเดือดร้อนนะมันไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้อน า, าคตมันจะเดือดร้อนมาเจอไม่ควรปฏิบัติทันไว้ทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและ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 เมื่อไปเขาไม่สมเราเบียดเบียนคนอื่นนี่ถนัดอย่างนั้นคือว่าทาําเหล่าใดเป็นไปขวมเบียดเบียนตนเองแล้วไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติพวมอักลิกนี้หนีห น, นีไปให้พ้นเนี่ยอ น, นั้นถ้าหากหนีจากควางคิดปรุงแต่งไม่พ้นแล้วแสดงว่าเราติดเบ็ดอยู่นั่นเองเข้าใจไว่าหนีไปให้พ้นหนีจากควางคิดที่มันปรุงแต่งหนีจากเสียงเยือยอ่อสนอเสริญหนีจากลาบยศ หนีจากอันนี้จริงว่ะเป็นผู้ไม่คล้องแยะกันว่าอย่างนั้นถ้าหากรับไปติดอย่างนั้นเนี่ยเอาแล้วกันทีเดียวรับรองได้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะถึงที่สุด ข, ของทุกได้เราอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปด้วยทุกเราจะเห็นทุกได้ทำไมก็ท่านบอกไว้แล้วว่าหนอนอยู่ในส้วมไม่ใช่ส้วมนอนนะอุจจระห้องอุจจระคุณนะแล้วันนี้ก็หาว่าอุจจระนั่นเป็นของดี มีเสตอาหารดีๆท่านกินอาหารดีๆบัด น, นี้ผู้เป็นเทวดากินของทิศบัดนี้อ้ยเมืองสวรรค์ดีแต่ไม่ได้พูดเรื่องเสี้ยวเลือดสหาหัสผมรักผมแพงกันนั้นไม่ต้องพูดเลยหลัดหลัดเพราะว่าเวลามาันจีมุดไปเมื่อ น, นี้ต้องพูดเพื่อสรุปเนื้อคมให้ฟังง่ายๆบัดนี้เทวดาก็าเห็นหนอนโอ้เพื่อนอันนี้ไม่ใช่ของดีนะโอ้เอาของดีเมืองสวรรค์ว่ายังไงของดีเมืองสรรค์นึกเอาก็ได้มัน น, มนึกขึ้นมาเห็นเนี่ย มันเป็นของทิพขึ้นมาแล้วมันสบายใจท่านว่าของทิพย์หมายถึงสบายใจไม่ใช่ว่าของทิพย์จะเลื่อนลอยมาสวมอันนั้นอันนี้อย่างที่พระเพื่อนสวดว่าผ้านี่เลื่อนลอยมาจากอากาศแดี๋ยว้ากรินเนี่ยเลื่อนลอยมาจากนุภาเบหาอากาศแลยไม่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งเลยเนี่ยท่านว่าอันนั้นเป็นความเปรียบเทียบอันนี้ไม่ใช่เป็นของใครเป็นของทุกคนจึงว่าเป็นสงแท้สงหมายถึงบุคคลทําดีนั่นเองอันภาะสงฆ์อย่างที่หลวงพ่อนิสง ม, มุทเ น, น, นี่ยบุญรักศึก เจอการ บ, บวชเนี่ยบวชมาแล้วสองเธอแล้วเป็นเจ้าหัวเทธอหนึงอายุยี่สิบปีบวชได้หกเดือนเธอนี้อายุสี่สิบหกปีแล้วบวชได้หลายสี่เต็มแล้วเต่็ไม่ต้องฟูดเลยนี่แหละเราให้เข้าใจจริงๆถ้าหากไม่เข้าใจอย่างนี้เราจะมืด อ, อยู่น่านจะท่วมหัวบ้านหลวงเขเลีวหัวน่านจะท่วมศีรษะมองไม่เห็นทิศทางเลยดังนั้นให้พวกเราเป็นคนแข็งแกร่งอย่าไปกินเบ็ดโดยที่มีเหยื่อรอ ถ้หาหักไปกินเบ็ดที่มือเหีื่อเรามันจะติดปากเราเลยกินไม่ได้ขายไม่ลงดีนไม่หลุดเลยเพราะมันกูห ล, ลงแล้วปิดออกไปปุลล๊บจะได้ไปได้แต่คนใดไม่รู้อย่างนั้นเจอว่ายัางเป็นคนหลงท่านทางหลายจงทําควรไม่ประมาทให้ถึงของอ้อถึงขั้นเป็นว่าอันนี้หลวงพ่อบูผู้จักภาษาบาลีเป็นว่าจะใดหลวงพ่อบูผู้จักเคำวมาท่านทางหลายหรือสูทางหลายหรือพิษสูทางหลายหรือญาติโยมทางหลายว่าดีก็ได้ไนหะ เขาเรียนโย่าทำความประมาทจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าทำความประมาททำความประมาทก็ไปติดเสียงเยอย่อสนเสริญลาบหยดเนี่ยประมาทแล้วเนี่ยย่าไปติดอื่นเนี่ยยาไปติดก็หมาย ถ, ถึงดูข่มคิดโอบเขามาส่งเรามึงกิ๊ดเราภูมิใจเอาทำอย่างนั้นเถอะไม่ทำตามเขาไม่ได้เพราะว่ากินของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกินไม่ลงขายไม่ออกเช่นว่าเมื่อเรายังไม่หลุดพ้นเนี่ย ยังไม่ขาดอย่างที่หลวงพ่อพูดเอาเสื้อในร่อนมาตัดเออมาดึงไว้เนี่ยตัดแต่ไม่ขาดซื้อว่าเรายังอยู่ในโลกกิจจิตทางนั้นยังว่าจิตแต่ิดยังไงก็ตามท่านจังว่าท่านจงทําทมคมไม่ประมาทให้ถึงคนดูควมคิดอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวโดยวิธีใดดูอยู่ตลอดเวลานั่นเนี่ยจรงเป็นคนไม่ประมาทแท้จงทําที่สุดของทุกเถือนนี่แหละคือนิพพานจิตเราหลุดพ้นแล้วจากสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อคือมันขาดกันแล้วไม่มีอนิจจนาเลย ท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้ก็ครูบาตาเห็นรูปอย่าให้เป็นนุกเผื่อดกงามอย่าให้เป็นยิดเป็นไใจหูฟังเสียงยันเพราะมันยังมีอนัตนาดังนั้นปาติดเบ็ดจวดติดเบ็ดพอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรลมเสียงเยอะยอสนเสริญเป็นสิ่งพาลุนแสบเผ็ดร้ายถ้าเด็กทนเอาเมือกับหนอ น, นั่นเองเน า, อ ย, านนอยู่กับของอุจละไม่รู้ว่าอุจละเป็นสิ่งแสบเผ็ดซัวร้ายขนาดไหนไม่รู้บัดนีผู้เป็นเทวดาอามา ไปเสี่ยวไปไปเมืองสวรสดนเขาเถอะเมืองสวรรค์มีอุจจาระได้สินไม่มีแล้วอุจจาระี่โอ้ยกูก็ไปนใะนมึงไม่ได้แล้วเพราะกูกินขี้อันนี้ก็คือกันเนะ่ะบอกอย่าไปติดเสียงเยินหอสนาเสรรรินลาดหยดมันก็ติดป่ะมันกินอุจจาระวนนอนเ น, นี่ยมัาเิ่งโลกินะจิตจริงไปไม่ได้อะไรอะไรทั้งหมดเลยพระพุทธสอนไว้ดีแล้วดังนั้นจะสรุปเนื้อขมสันส้นๆให้พวกเราเข้าใจ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 โดยไม่ติดก้างควงขอของโลกกันว่าอย่างนั้นอยู่กับใครไม่เดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนใครจะมาชมก็แล้วไปใครจะมาตำหนินินทาก็แล้วไปคือว่าเราไปพ้นแล้วจากโลกนี้จิตเราพ้นแล้วจากสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเราม่างเหินแล้วทั้งวันม่างเหือนแล้วจนค่ า, า, า, า, าห น, านสร้างเสียแล้วคือค่าคมคิดที่มันพลิกปั๊บตัดได้ทันทีเลยอันนี้แหละหนู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 ที่พูดให้ฟังนี่ก็นึกว่าทุกคนพอที่จะเข้าใจไม่มากก็ น, น้อยเพราะว่าตั้งแต่วันที่สามสิบวันที่หนึ่งเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งสองสามสี่วันนี้แต่วันนี้ต้องเข้มแข็งเต็มที่ทีเดียวจะท่อถอยไปได้หมดลมหายใจก็เลิกกันเมื่อ น, นั้นถ้าหากยังไม่หมดลมหายใจต้องทำต้งจิตวจงทากลมไม่ประมาทให้ถึงความไม่ใช่ว่าไม่ประมาทเรื่องว่าไม่ให้ทาน แม่นักศาสนาอันนั้นมันเป็นเรื่องติก ย, ย้อยคำว่าไม่ประมาทในจิตใ จ, ใจมันนึกคิดเห็นุ๊ทันทีตัดทันทีนั่นทันว่าอย่งไม่ประมาทจึงเป็นผู้ไปคนได้ทันว่าอย่างนั้นเอาแหละที่ได้นํำธรรมะ ม, มาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาแล้วท่าที่สุดนี้อาตมาพร้อมโดยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมอยู่หาสถานที่นี้อาตมาขออ้างเหี้ยวคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ถ้าเราไปติดเบ็ดแล้วแสดงว่าเราไม่ทําตามกับพระพุทธเจ้าแล้วนะหลงแล้วมันจะเลื้อยเรื่อยๆอุปปะธรมโมอกุปะธรรมโมปริหานะธรมโมเจตนา พ, พโพอานุล k a r n a t a k พ, พภยังน้อยมันไม่ขาดมันไม่มีกาลังท่านว่าอานุล Karnataka พภูเลยแต่รู้ก็จริงแต่มันยังไม่ขาดนะเจตนา พ, พโพอนุล k a r n a t a k พ, พภูปุถุสนโอตธลาภูที่แรกต้องเป็นปุถุสนุนบัตรนี้ข้ามพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมานัน